เพิ่งพากันตั้งใจสำรวมใจของตนให้ดีการฝึกฝนอบรมตนนี่มันจำเป็นจริงๆคิดดูให้ดีคนเรามันไม่ได้ดีมาแต่เมื่อเกิดเกิดมาแล้วเราก็ จึงได้มาฝึกฝนอบรมตนไม่ได้มีความรู้ความฉลาดมาแต่เมื่อเกิดจึงอยู่ความรู้บางสิ่งบางอย่างนั้นมีแต่เป็นความรู้พื้นๆเช่นรู้จักกินข้าวรู้จักอาบน้ำรู้จักหลับนอนรู้จักร้องรำทำเพลง รู้จักไถนาคาดนารู้จักทาสวนปลูกผักรู้จักขายของอันความรู้พวกนี้มันมีมันดูตัวอย่างกันแล้วมันทำได้แต่ความรู้ที่ลึกซึ้งเข้าไปกว่านั้นมันไม่มี เช่นาว่าการทำนานเนี่ยทำยังไงจึงได้มีผลผลิตมากอย่างนี่ไม่ไม่รู้ไม่เข้าใจอันั้นต้องไปเรียนรู้จากผู้ที่เขาทำนานมาก่อนแล้วมาทำเข้ามันจึงได้ผลผลิตมากขึ้นข้อนี้ชั้นใดก็อย่างนั้นแหละการปฏิบัติธรรมในพระพุทธศาสนานี้ มันก็ต้องอาศัยผู้ที่เพื่อนทํามาก่อนผู้เพื่อนยืนหยัดอยู่ในข้อวัดปฏิบัติมาก่อนนั่นแหละได้ดูตัวอย่างบ้างได้ฟังบ้างอย่างนี้แล้วเราก็มาฝึกตนตามแนวทางที่ท่านดำเนินมามันก็จึงเป็นไปได้ ลำพังแตกธรรมวินัยซึ่งอยู่ในตำหรับตำรานั่นนะแม้ว่าบุคคลจะไปเรียนรู้จำได้อย่างนี้นะมันก็ยังไม่ทำนานที่จะทำ ไ, ไม่ไม่ไม่สามารถที่จะน้อมเข้ามาสู่ตนได้ปฏิบัติไปตามนั้นโดยลำพังของตนไม่ค่อยได้หราคนเราอันน่้ ถ้าได้อย่างนี้มันก็ไม่มีครูบาอาจารย์กันแหละในทางสมถะวิปัสสนาเนี่ยส่วนมากผู้ที่เป็นไปได้ท่านผู้เป็นล่มโพล่มชัยของลูกศิษย์ลูกหามาหมุ น, นรวนแต่ได้ถ่ายทอดจากครูบาอาจารย์ที่ท่านดำเนินมาก่อนทั้งนั้นเลย ต้องศึกษาให้รู้ให้เข้าใจให้กว้างๆออกไปหน่อยเรื่องหมดนี้นะมันจึงค่อยมีหลักฐานยืนยันได้ผู้ที่ท่านมีอินทรีย์บารมีแก่กล้าจริงๆนุ่นจึงค่อยคิดฝึกตนด้วยตนเองได้อย่างเช่นหลวงปู่มั่นหลวงปู่เสาหลวงปู่อุบารี อันนี่ตามประวัติแล้วท่านคิดค้นเอาจากตำรับตำราได้แล้วก็ออกไปอยู่ป่าไปฝึกขัดปฏิบัติไปก็ได้ผลแบบนี้นั่นแหละเมื่อท่านปฏิบัติไปได้ผลแล้วก็พระรูปอื่นเมื่อได้เห็นปฏิปทาของท่านดำเนินไปเห็นว่าเป็นผลดี อําให้คีเลตันหาเบาบางไปก็จึงไปยอมเป็นสิทธิ์ภาวนาตัวให้ท่านแนะนำสั่งสอนก็ฝึกขนอบรมกับท่านไปจนได้ความรู้ความเข้าใจในแนวทางปฏิบัติที่นั้นก็จึงมาสอนผู้อื่นสืบต่อกันมา จนถึงปัจจุบันนี้นิบแสดงถึงเรื่องคณะกรรมฐานสายพระอาจารย์มัน่นพระอาจารย์เสาเป็นมาอย่างนี้ไม่ใช่ว่าผู้ใดบวชมาแล้วก็คิดคน้นลงมือปฏิบัติตามแนวนั้นโดยลำพังได้ไม่ต้องหาครูหาอาจารย์ ท่านผู้เป็นมหาบารีย์มาแล้วหัวนั้นนะเช่นพระอาจารย์มหาปิ่นพระอาจารย์สิงห์มูลนิธิท่านก็เป็นครูสอนปริยัติธรรมเป็นครูสอนบาลีแต่แล้วในทางปฏิบัติแล้วท่านยังไม่เข้าใจออต่อเมื่อได้พบกับพระอาจารย์มั่นพี่ <c oughs> ได้ฟังโอวาทของท่านเข้าไปได้เห็นตัวอย่างก็จึงได้ถอนตัวออกจากปริยัติธรรมแล้วมาดำเนินทางปฏิบัติก็ะจนได้เป็นครูเป็นอาจารย์ของหมู่คณะซืบต่อกันมาอันนี้แหละให้สังเกตพิจารณาดู แนวทางปฏิบัติทางด้านจิตใจนี่ถ้าผู้ใดไม่ลงมือทําด้วยตนเองก่อนแล้วมันเป็นไปไม่ได้ลงมือทํามันก็ต้องมีครูบาอาจารย์เป็นผู้กํากับเป็นผู้แนะนําปันนั่นแหละมันจึงค่อยเป็นไปได้บางคนภาวนาไปก็เกิดวิปลาสขึ้นมาแก้ตัวเองก็ไม่ได้ ช่วยตัวเองไม่ได้ต้องครูบาอาจารย์ผู้ชำนาญได้แนะนำแก้ไขก็จึงค่อยสงบประงับจากวิปลาสอันนั้นได้อย่างนี้มีตัวอย่างอยู่ทมไปดังนั้นหลให้พากันเข้าใจเหตุผลของการปฏิบัติ การเจริญสมถมะวิปัสนามันต้องอาศัยครูอาจารย์ในเบื้องต้นนะอยู่บางท่านบางองค์ก็อยู่กับครูบาอาจารย์ไปตั้งห้าปีตั้งสิบปีก็ยังมีเมื่อท่านชำนาญพอสมควรแล้วก well, <c Chill zeit> <ง> <es> ็จึ Pepper. งได้ออกจากครูบาอาจารย์ไป ตั้งสำนักอยู่โดยลำพังใะมีลูกศิตลูกหาสื่อต่อกันไปอันบุนีนะมันมีมาอย่างนี้แหละดังนั้นผู้เข้ามาบวชในพุทธศาสนานี้นะให้พึ่งเข้าใจระเบียบของพระพุทธศาสนาแล้วให้ทำความเคารพปฏิบัติตามด้วยความจริงใจ มันก็ถึงมีประโยชน์จึงจะมั่นคงไปในทางปฏิบัติจะไม่เสื่อมไม่ว่าคฤหัสถ์ไม่ว่านักบวชเหมือนกันคฤหัสถ์ก็ต้องมีครูมีอาจารย์จะไปทำโดยลำพังตัวเองอย่างนี้ไม่มีทางหรอกสาวะโกแปลว่าผู้เชื่อ ตามผู้ปฏิบัติตามคำสอนของพระพุทธเจ้าที่ท่านผู้อื่นได้ถือเอาปฏิบัติมาเป็นตัวอย่างแล้วนั้นผู้ไม่ได้ปรารถนาเป็นพระพุทธเจ้านี่ก็ต้องเป็นสาวกอันผู้เป็นสาวกนี่แม้ว่าจะสร้างบุญบา ร, รมีมาหลายปันไดเต็มอย่างไรก็ช่าง ซึ่งจะขวนขวายหาทางปฏิบัติให้บรรลุมรรคผลด้วยตนเองนั่นเป็นไปไม่ได้เลยจนกลัวว่าได้ฟังคำสอนของพระพุทธเจ้านล้วจึงบรรลุมรรคผลธรรมวิเศษได้ถ้าไม่ได้ฟังคำสอนของพระพุทธเจ้าแล้วยัย้งบรรลุไม่ได้เลยจะมีบุญมากเท่าไหร่ก็ตาม นี <c oughs> ่ให้เข้าใจไว้ระเบียบความเป็นไปในพระพุทธศาสานานี่นะ <c oughs> มันมีระเบียบอยู่ทั้งนั้นแหละไม่ใช่ว่าไม่มีระเบียบ้เรื่องมรรคเรื่องผลก็ดีแม่เรื่องการบุญการกุศลต่างๆหมดนี่นะมีระเบียบอยู่หมดเลย ซึ่งจะไม่ใช่เป็นเรื่องมรรคเรื่องผลก็าตามเรื่องการทำบุญกุศลอันเป็นส่วนโลกีมูนีมีระเบียบทั้งนั้นแหละถ้าหากว่าทำไปผิดระเบียบมันก็ได้บุญน้อยได้อานิสงส์น้อยพวามจริงเนี่ยข้อปฏิบัติต่ตงางๆ ที่พระพุทธเจ้าทรงแสดงไว้นี่มันก็เป็นโลกียธรรมทั้งนั้นแหละอืย่างทานศีลภาวนาก็ดีหรือว่าศีลสมาธิปัญญาก็ดีก็ยังตกอยู่ในโลกียธรรมหรืออีกในหนึ่งท่านตั้งชื่อว่าสังคต ธ, ธรรมบรรดาสังคต ธ, ธรรมทั้งหลายนั้น มีศีลสมาธิปัญญาหรือว่ามรรคมีองแปดนั้นเป็นยอดแห่งสังฆ ธ, ธรรมทั้งหลายคือธรรมที่มีปัจจัยปรุงแต่งนั่นนะ <c oughs> หมายเอาปัจจัยในส่วนที่ดีส่วนที่เป็นกุศลนั่นแหละธรรมที่เป็นกุศลทั้งหลายนั้นมีศีลสมาธิปัญญาหรือมรรคมีองแปดนั้นนะเป็นยอด มันมีมันมีระเบียบอยู่อย่างนี้ให้พึ่งพากันเข้าใจศึกษาให้เข้าใจมันก็จะไม่เป็นยอดอย่างไรแล้วศีลมันก็เป็นเครื่องกําจัดบาปอากุศลไม่ให้เกิดขึ้นไม่ให้ตกค้างอยู่ในจิตใจของคนเรานี่คนเรานี่นะถ้าหากว่าสะสมบาปอากุศล ใส่ตนไว้แล้วนะ่ะมันไม่พ้นทุกข์แม้ว่าผู้นั้นจะทำบุญกุศลไปก็ตามมันก็พ้นทุกข์ไปไม่ได้จัดบรรลุทมักผลธรรมมวิเศษต่างๆนาน า, นาเช่นพระโสดาบันเป็นต้นขึ้นไปนี่ก็ก็บรรลุไม่ได้ถ้าบุคคลใดยังทำบาปอยู่นะพูดกันอย่างตรงไปตรงมานะ่ะ ยังฆ่าสัตว์นักทรัพย์ประพฤติผิดในกามกล่าวมุสาวาดดื่มสุราเมรัยอยู่อย่างี้นะอา้าวจะปฏิบัติยังไงยังไงมันก็บรรู้ว่าผลไม่ได้เวเ้นเสียแต่ท่านผู้มีบุญวาสนาที่ได้สั่งสมอบรมมาแต่ก่อนนั้นมันมันเข้าขั้นแล้วเพียงแต่ ยังไม่มีผู้แนะแนวทางให้เท่า น, นั้นระยะที่ยังไม่มีผู้แนะแนวทางที่ถูกต้องให้มันก็ต้องทำบาปไปบ้างแหละแต่ว่าไม่ได้ทำบาปนักหนาเช่นอย่างเรื่องราวของนายอริยะเนี่ยหนุ่มหนุ่มอริยะเนี่ยจะข้างพระพุทธเจ้านั่นก็อาชีพของเพื่อนก็ไปตกเบ็ดแล้ว วันหนึ่งก็ไป ย, ยามเบ็ดไปยามเบ็ดแล้วก็เสร็จแล้วก็แบกคันเบ็ดเดินข้ามทุ่งมาไปเจอพระศาสดากับพระสงฆ์สาวกเข้าพระองค์รู้ว่าผู้นี้มีอุปนิสัยมักผลจึงทรงหยุดนายอริยะก็หยุดแบบนี้ เมื่อจุดแล้วพระองค์กดใช้อุบายถามชื่อของพระสาวกที่ตามสเสด็จว่าองค์นี้ชื่ออะไรข้าพระองค์ชื่อสาริบุตรองค์นี้ชื่ออะไรข้าพระองค์ชื่อโมกคันลาองค์นี้ชื่ออะไรข้าพระองค์ชื่ออนุรุท ธ, ธะอะไรไปทำนองนี้แหละเมื่อถามพระสาวกที่ตามสเสด็จเสร็จแล้วก็จึง ย้อนไปถามอุบาสกนี่ชื่ออะไรอ่ะข้าพราะองค์ชื่ออริยะพระองค์ถือเอาชื่อนั้นนะเป็นเหตุแสดงธรรมบันี้ดูกรบุรุษบุคคลผู้ที่จะได้นามว่าอริยะนั้นนะก็ต้องเป็นผู้ล่าเว้นจากการประหัตประหารบุคคลอื่นและสัตว์อื่น เป็นผู้มีเมตตาอันบุคคลผู้ยังประหัตประหารชีวิตของสัตว์อื่นอยู่นี่จะได้นามว่าอริยะนิหามิได้ไม่สมควรที่จะได้นามอย่างนี้เลยเพราะว่าผู้ผู้ได้นามว่าอริยะนี่แปลว่าผู้ไกลจากค่าศึกคือกิเลสบาปธรรมต่างๆ ด้วยอำนาจแห่งอริยมรรตัดขาดไปเลยอย่างนั้นจึงสมควรได้นามว่าพระอริยะบุคคลนี่ดังนั้นเธอเพิ่งละเสียซึ่งการเบียดเบียนซึ่งบุคคลอื่นและสัตว์อื่นให้สมกับชื่อว่าอริยะ เมื่อพระ อ, องค์เจ้าเน่นำไปพอสมควรจบลงนายอริยะก็ได้บรรลุโสดาปติผลแล้วก็ได้โยนคันเบ็ดทิ้งไปแล้วก็กราบปฏิญญาณตนตอนพระพักของพระ อ, องค์ขอถึงพระทั้งพระพุทธเจ้าพระธรรมประสงค์ว่าเป็นที่พึ่งทีละลึกตลอดชีวิต สำหรับผู้ที่อินทรีย์บา ร, รมียังอ่อนอยู่นั่นน่ะยังไม่เต็มนะ่ะพระองค์เจ้าจะไม่แนะนําสั่งสอนแบบนั้นพระองค์ย่อมสั่งสอนโดยอุบายปริยายต่างๆเพราะว่าจะไปสอนเอากระทันหันอย่างนั้นให้คนเหล่านั้นได้บรรลุมรรคผลเลยนะ่ะมันไม่ได้เพราะอินทรีย์ยังอ่อนอยู่เนี่ย ดังนั้น่ะธรรมะที่พระองค์เจ้าแสดงเช่นในอปริหาริยธรรมก็เคยนำมาแสดงให้ฟังกันอยู่แล้วให้มันประชุมกันเอิงนิดนเมื่อประชุมก็พร้อมเพียงกันประชุมเมื่อเลิกประชุมก็พร้อมเพียงกันเลิกและพร้อมเพียงช่วยกันทำกิจของหมู่ของคณะที่จะต้องทำ ไม่บัญญัติสิ่งที่พระพุทธเจ้าไม่ไม่ได้บัญญัติไว้ไม่ถอนสิ่งที่พระองค์เจ้าทรงบัญญัติไว้แล้วสมทานศึกษาและปฏิบัติตามข้อที่พระองค์เจ้าทรงบัญญัติไว้แล้วนั้นไม่อภิกษุเราได้เป็นใหญ่เป็นประธานในสงฆ์เคารพนับถือ เพื่อฟังถ้อยคําของท่านเหล่านั้นไม่รู้อํานาจแก่ความอยากที่เกิดขึ้นอินดีในเสนาสนะป่าตั้งใจอยู่ว่าเพื่อนภิกษุสามเณรซึ่งยังไม่มาสู่อาวาสขอให้มาเมื่อมาแล้วก็ขอให้อยู่เป็นทุกข์ทำเจตจางนี้มีอยู่ในผู้ใดผู้นั้นไม่มีความเสื่อมเลย มีแต่ความเจริญฝ่ายเดียวใ้อย่างนี้ผู้มีอินทร์บารมียังอ่อนอยู่ต้องปฏิบัติตามธรรมะเหล่านี้ไปก่อนเพื่ออบรมอินทร์ให้แก่กล้าไปอย่างนั้นดังนั้นแหละเราจึงได้มีระเบียบกันอย่างนี้ เ, ออเมื่อสร้างวัดสร้างวาขึ้นมาแล้วนะจึงมีระเบียบตั้งกติกานัดประชุมกัน เป็นกิจวัตรทั้งเช้าทั้งเย็นผู้เป็นประมุขประธานก็จะเมื่อมองเห็นอุบายอันใดที่จะแนะนำสั่งสอนผู้ดำเนินตามท่านก็จะนำมาแนะนำสั่งสอนถ่ายทอดความรู้ในธรรมในวินัยนั้นให้ ผู้ฟังถ้าตั้งใจฟังตั้งใจจดจําเอาไปทีละน้อยละน้อยไปอย่างนี้ก็ต้องได้ความเข้าใจแน่นอนทีเดียวได้ความฉลาดออถ้าฟังไปเฉยเฉยไม่คิดว่าจะจําเอาอุบายอะไรเลยอย่างนี้นี่จะฟังไปจนเฒ่าจนแก่มันก็ไม่ได้ความอะไรเลยอืม ดัง น, นั้นคนเรามันต้องสลาดอยู่ในตัวบ้างนะก็ต้องมีชาวบ้างนะการทำอะไรอะ่ะทั้งหมดนี่นะล้วนแต่ล้วนแต่เป็นอุบายฝึกขนอารมณ์จิตทั้งนั้นเลยให้พากันเข้าใจมันประชุมกันเนืองนิดอย่างนี้นะ ผู้ที่จิตใจยังอ่อนแออยู่นั่นเมื่อเห็นพักเห็นพวกเห็นหมู่เห็นคณะตั้งใจเข้มแข็งเข้าไปผู้นั้นก็พลอยตั้งใจเข้มแข็งตามกันไปถ้าหากว่าไปฝึกขนอบรมตนอยู่โดยลำพงังไม่สามารถจะช่วยตัวเองได้ เพราะว่าอินทรีย์มันยังอ่อนอยู่ศรัทธาก็ยังอ่อนความเพียรก็ยังอ่อนอยู่สติก็อ่อนแอสมาธิใจที่ตั้งมั่นอยู่ในบุญกุศลก็อ่อนปัญญาก็ยังอ่อนอยู่อย่างงี้นะมันจะไปช่วยตัวเองได้อย่างไรแล่าไอ้ผู้เป็นนักบวชบวชเข้ามาแล้วพระพุทธเจ้าจึงได้วางระเบียบไว้ ให้ศึกษาเล่าเรียนฝึกหัดปฏิบัติอยู่กับอุปชาอาจารย์ไปก่อนอย่างน้อยต้องห้าปีอย่างนั้นถึงจะมีความรู้ความฉลาดพอพึ่งตัวเองได้แม้ญาติโยมชาวบ้านก็เหมือนกันนะบางคนก็ พูดกันขึ้นมาว่าเออข้อวัดปฏิบัติต่างๆเราก็รู้อยู่แล้วนะเราก็ปฏิบัติเอาไม่จําเป็นต้องไปฟังจากพระซ้ำซํำๆซากๆเท่าไรก็ได้หรอกเราปฏิบัติอยู่กับบ้านกับเรือนของเรามันก็ดีอยู่แล้วนี่ไม่จําเป็นต้องไปวัดบ่อย ไปฟังพระเทศบ่อยๆพระท่านก็เทศคำเก่านั่นแหละให้ฟังถ้าเราไม่ปฏิบัติตามแล้วก็แค่นั้นแหละผู้ใดผู้ไปฟังก็ดีผู้ไม่ได้ไปฟังถ้าปฏิบัติแล้วมันก็ได้ผลเหมือนกันเคยได้ยินอยู่ความคิดความเห็นอย่างนี้นะผู้ที่มีความเห็นอย่างนี้ มันก็ถูกอยู่หรอกแต่ถูกเฉพาะคนนะไม่ถูกโดทั่วไปถูกเฉพาะผู้มีอินทรีย์แก่กล้าอย่างที่ว่ามาแล้วนั่นแหละถ้าผู้ใดมีอินทรีย์ยังไม่แก่กล้าแล้วปฏิบัติไปโดยลำพังอย่างนั้นยากที่จะได้บรรลุผลตามเป้าหมายมักจะมีความเหม็นผิด ในตอนปลายเนี่ย ม, มักจะเกิดความเห็นผิดขึ้นมาเลยเมื่อทำไปนั้นไปมันไม่ถูกทางแล้วมันก็วิปลาสไปแล้วกว่นี้เป็นอย่างนั้นเพราะฉะนั้นจึงว่าข้อวัดปฏิบัติเขี่ยวแก่การรักษาศีลก็ดีการภาวนาก็ดีนะว่าสำคัญ การภาวนาเนี่ยสำคัญมากกว่าข้อปฏิบัติอย่างอื่นส่วนการรักษาศีล น, นั่นเมื่อผู้มีศรัทธาแล้วเรียนเอาข้อศีลจำได้แล้วพยายามสํารวมระวังไม่ล่วงเกินแล้วมันก็เป็นศีลได้อยู่แต่ว่าจะเป็นศีลให้ละเอียดเข้าไปจริงจังก็ยังไม่ได้ก่อนหรอกมันต้องศึกษาให้รู้รายละเอียดของ การรักษาศีล น, นี่ทําอย่างไรจึงจะเป็นศีลยิ่งได้อเป็นอย่างนั้นถ้าไม่ศึกษาให้เข้าใจละเอียดลึกซึ้งเข้าไปก็จะรักษาศีลให้ยิ่งขึ้นไปก็ไม่ได้การรักษาศีลยิ่งนี่มันต้องเอาชีวิตเป็นเดิมพันเลยนะถ้าผู้ใดยังหวงชีวิตอยู่ ยังอะไรในชีวิตนี้อยู่จะรักษาศีลให้ยิ่งไม่ได้เลยอย่างเช่นว่าอย่างพูดกันมาบ่อยๆแหละชาวบ้านเนี่ยเช่นอย่างศีลข้อที่หนึ่งอย่างนี้นะก็ต้องหาทางพูดแก้ตัวกันว่าเออถึงข่าวหากินก็หาบ้างไม่หาก็ไม่ได้กิน อย่างนี้แหล ะ, ะถึงขาวเว้นกับเว้นไปบ้างทำอย่างไรได้เรามันถ้าเกิดมาอย่างนี้มันก็จำเป็นแหละบาปบ้างบุญบ้างนี่เรียกว่าคนที่ไม่สามารถจะสละชีวิตเพื่อศีลได้มันก็รักษาศีลให้บริสุทธ เสมอไปไม่ได้เลยผู้ที่มองพิจารณาเห็นด้วยปัญญาว่าคนเราที่จะตกทุกข์ได้ยากลำบากอยู่ในโลกอันนี้ก็ดีหรืออยู่ในย ม, มโลกคืออบายภูมิทั้งสี่มีนรกเป็นต้นก็ดีหมนีล้วนแต่เป็นผู้ไม่ตั้งมัน่นอยู่ในศีลทั้งนั้น เช่นผู้เกิดมาในโลกนี้มีอวัยวะร่างกายไม่สมบูรณ์อวัยวะบกพ่องแขนด้วนบังขาด้วนบังตาบอดมาแต่กำเนิดบงังหรือเกิดมาแล้วจึงมาตาบอดก็มีมือนี่แล้วก็เป็นคนไม่มีสติปัญญาช่วยตัวเองก็ไม่ได้ที่เป็นอย่างนั้นนะ ถ้าพระพูดตามคําสอนของพระพุทธเจ้าแล้วก็โดยอาศัยเศษของบาปกรรมที่บุคคลกระทามาในชาติก่อนนั้น่ะมันยังติดตามมาเมื่อพ้อนจากนรกมาแล้วก็มาเป็นเปรตพ้นจากเปรตมาแล้วเป็นสัตว์เดรัจฉานพ้นจากสัตว์เดรัจฉานมาเป็นคนบาปยังไม่หมดบาปก็มาตกแต่งอวัยวะร่างกายให้ไม่สมประกอบ นี่แล้วมันจะพ้นทุก์ไปได้ยังไงล่ะบุคคลไม่มีศินทนำะคำสอนของพระพุทธเจ้านะผู้ใดไม่ยอมสละชีวิตเพื่อศินผู้นั้นก็ได้ความลำบากในโลกสงสารอันนี้แหละถ้าผู้ใดยอมสละชีวิตเพื่อศินล่ะเอาลนะเราจะรักษาสินในมั่นตลอดชีวิต จะหาเลี้ยงชีพโดยทางสุจริตถ้าหาโดยทางสุจริตไม่ได้แล้วเรายอมตายเมื่อสละชีวิตลงไปอย่างนี้แล้วมันก็ไม่ถึงกับตายหรอกมันก็หาเลี้ยงชีพได้อยู่นั่นแหละแต่ว่าผู้ที่มีบุญน้อยมีทรัพย์น้อยจะให้ได้อยู่ได้กินดี เหมือนอย่างคนที่เขามีทรัพย์มากนะั่นมันก็ไม่ได้นะก็ไม่เป็นไรอนะ่ะเราก็ยอมทละลงไปความสุขในโลกอันนี้นะแม้ใครจะอยู่ดีกินดีสักเท่าไรมันก็ไม่พ้นตายมันไม่มีความหมายอะไรดอกชีวิตอันนี้ถ้าไม่มีศีลแล้วนะมันจะหามาเลี้ยงมันให้อิ่มน้ำสำลานปนิดปรจง เท่าใดเท่าใดมันก็ไม่พ้นแก่พ้นเจ็บพ้นตายนั่นผู้จะมีศีลบริสุทธิ์เป็นศีลอันยิ่งไปได้มันต้องมีปัญญาประกอบต้องมองเห็นความจริงของชีวิตอย่างว่านี่นะทีนี้มันมีความสุขเป็นผลในการต่อไปวั น, นี่นะเนนมื่อละโลกนี้ไปแล้ว ก็ไม่ไปตกนรกไม่ไปเป็นเปรตอสุรกายสาัตว์เดรัจฉานก็มีสุคติโลกสวรรค์เป็นที่ไปตามท้ายของการให้ศินนั่นนะสีเลนะสุขติงยันติสีเลนะโฟกะสัมปทาสีเลนะนิบบุติงยันติผู้มีศินจะต้องไปสู่สุคติโลกสวรรค์ผู้มีศินจักสมบูรณ์ด้วยโฟคะสมบัติ ผู้มีศีลจกบรรลุถึงซึ่งพระนิพพานได้นี่แหละศีล น, นี่นะส่งคนให้ถึงซึ่งพระนิพพานนุ่นไม่เฉพาะแต่สวรรค์อย่างเดียวดังนั้นนะจึงสมควรมีศีลแทๆ้ๆเราได้เกิดมาเป็นมนุษย์แล้วนี่นะมีอวัยวะร่างกายสมบูรณ์จิตใจก็ดี อย่างนี้นะไม่ใช่เป็นใบเป็นบ้าอะไรเลยมันสมควรที่จะเป็นผู้มีศีลจริงๆเนี่ยเมื่อมีศีลในชาตินี้แล้วเว้นจากการทำชั่ว ด, ด้วยอำนาจแห่งปัญญาเห็นแจ้งเหตุผลดังทีแจงให้ฟังมานี่ด้วยตนเองและอย่างนี้นะผู้นั้ น, น่ะ ละโลกนี้ไปแล้วไปเกิดในภพใดชาติใดก็ไม่ทำบาปแล้วนั่นแหละมีแต่บุญกุศลตกแต่งให้มีความสุขความเจริญในภพในชาติที่เกิดนั่นแล้วพวกนั้นก็ไม่ได้ทำบาปกรรมต่อไปบุญกุศลมันก็ส่งพวกนั้นให้สูงขึ้นไปเรื่อยๆมันไม่มีบาปมาขั้นกลางนี่ การสั่งสมบุญกุศลมันก็เต็มได้เร็วคนผู้ไม่มีบาปมามาเกี่ยวข้องมาแทรกแซงนี่จะขอพูดไว้ในที่นี้ให้ชัดเจนลงไปเลยเรื่องวิถีชีวิตของคนเราเนี่ยใครจะทำตามได้เท่าไรนั้นมันก็ขึ้นอยู่กับความสามารถของแต่ละบุคคลจะให้เหมือนกันหมดมันไม่ได้หรอก ที่พูดไว้นี่พูดไว้เผื่อบุคคลผู้มีความสามารถผู้มีปัญญาผู้มีบุญวัสนาบา ร, รมีที่ได้ทำมาแต่ก่อนมากพอสมควรสำหรับผู้ที่อินเสียงอ่อนโยก็ได้บ้างเสียบ้างก็ไม่เป็นไรไม่มีใครว่าอะไร นันั้นผู้ใดที่มีอินทรีย์บารมีแก่กล้าพอสมควรแล้วก็สมควรแหละจะสละชีวิตบูชาศีลนี่ให้ได้เมื่อผู้มีศีลดีแล้วการทําสมาธิภาวนามันก็ไปได้ง่ายเพราะมันไม่มีบาปมาขัดขวางอย่างที่เคยพูดมาบ่อยๆนั่นเแี่ยคนที่ทําสมาธิภาวนาไม่เป็นน่ะ แสดงว่ามันมีบาปมาคอยแทรกแซงขัดขวางอยู่บันดาลให้จิตนั้นฟุ้งซ่านเลื่อนลอยไปอยู่งั้นแหละสงบลงไม่ได้ดังนั้นเน่ยให้ถือว่าบาปกรรมนี่นะบาปความชั่วเนี่ยมันเป็นศัตรูต่อชีวิตนี่จริงๆเลยไม่ใช่วัเป็นมิตรนะ บุญกุศลต่างหาที่เป็นมิตรที่ดีต่อคนเรานี่นะเพราะฉะนั้นให้ทำความพอใจในบุญในกุศลให้มากให้เบื่อนายต่อบาปอากุศลเบื่อนายต่อความโลภความโกรธความหลงอันเป็นมูลเหตุที่ให้คนเราทำบาปนั้นอย่าไปชื่นชมยินดีกับความโลภ คือความไปล่อลวงซ่อโกงเอาสมบัติผู้อื่นได้มามากๆเลยดีอกดีใจอย่างนี้นะท่านเรียกว่าชื่นชมในความโลภอันนั้นนะให้เบื่อนายอย่างนั้นให้ชื่นชมยินดีในสมบัติที่ตนสแสวงหามาได้มากหรือน้อยก็ยินดีบริโภคใช้สอยอยู่เท่านั้น ชื่นชมยินดีกับความโกรธความโกรธนั้นมันมีพิษร้ายพาให้คนเราไปตกนรกอเวจีก็เพราะความโกรธนี้แหละยกตัวอย่างเช่นพระเทวทัตนะโกรธให้พระศาสดาว่าพระศาสดาไม่ได้มอบอำนาจให้ตนเป็นใหญ่ในสงฆ์ โกรธให้พระ อ, องค์ขึ้นไปบนภูเขาคิตกูดพระ อ, องค์ประทับอยู่เชิงเขาคิตกูดงัดก้อนหินใหญ่ๆนั้นกลิ้งลงมาหวังว่าจะทําลายก็ชนมาชีพของพระ อ, องค์ให้ม้วยมอนไปแล้วก็ไม่สมหวังซะแล้วเพราะพระพุทธเจ้านั้นไม่มีใครที่จะทําลายล้างขลาน พระชนมนชีพของพวก อ, องค์ได้เลยในโลกอันนี้นะมันก็เป็นเหตุให้พระเทวทัตไปสู่อาเวจีมหานุกแผ่นดินแยกสูบเอาไปเลยทั้งที่ชียังไม่หมดอายุนะอายุยังไม่หมดอ่ะแต่บาปกรรมมันมากเหลือเกินไม่สามารถที่จะรองรับเอาพระเทวทัตไปในพื้นแผ่นดินอันนี้ต่อไปได้ ก็จึงได้แยกออกแล้วสูกเอาไปไหมอยู่ในเอวจีอันนี้แหละบุคคลผู้ที่ไม่ยอมสละชีวิตเพื่อสินนะ่ะไปชื่นชมยินดีในความโลภความโกรธความหลงมันก็มีแต่ทุกขนันแหละชีวิตนี่นะ่ะหาบเอาแต่ทุกไปแหละทุกชาติทุก์กพไปเลยเพราะฉะนั้น โดยเหตุผลดังแสดงมานี่นะมันน่าสละชีวิตเพื่อสินจริงๆนะเราสละชีวิตเพื่อสินในชาตินี้นะไม่ใช่ว่าจะได้รับความทุกข์ความเดือดร้อนใจยิ่งได้รับความเย็นใจผู้มีสินเนี่ยเพราะว่าผู้มีสินนี่มันต้องขจัดความโกรธออกจากใจมันจึงมีสินได้ ขจัดความโลภออกจากใจนี่เมื่อความโลภความโกรธเหล่านี้ออกจากหิตใจไปเบาวางไปเท่าไรใจก็สบายไปนี่นะไม่ใช่ว่ารักษาสิลนแล้วมันทุกข์ใจเดือดร้อนใจไม่ใช่เออมันทุกข์เพราะหากินยากถ้าไม่ทำบาปแล้วไปทำการทำงานอื่นอ่ะ มันยากมันลำบากเอา้าแล้วก็ต้องอดเอาทนเอาทำยังไงได้ตนเกิดมาเป็นคนมาแล้วในโลกนี้ตัวกับบุญน้อยเดี๋วจะให้บุญมานิลมิตสมบัติต่างๆให้โดยไม่ต้องออกกําลังแรงอะไรทำงานเลยอย่างนี้มันจะได้ยังไงเ่าตนบุญน้อยอะ่ะก็นึกถึงภาวะของตัวเอง แล้วก็ทู่ทนอดกั้นไปมันก็ไม่เหลือวิสัยอเมื่อทู่ทนอดกั้นไปได้อย่างนี้นะเมื่อมีศีนมั่นคงแล้วผู้นั้นก็ย่อมไม่ไปสู่ทุกขติอบายภูมิทัศน์สีดังกล่าวมานั้นนี่แหละแล้วการเจริญสมาธิภาวนาใจมันก็สงบตั้งมั่นลงไปได้ เพราะว่าไม่มีความโกรธมารบ ก, กวนใจไม่มีความโลภมารบ ก, กวนใจอ่นั้นใจก็สงบลงได้มเมื่อใจสงบลงแล้วการเจริญปัญญามันก็ไม่ลำบาก น, นี้เพราะใจที่สงบอยู่นั่นแหะมันพ่องใสมันเบิกบานไม่วุ่นวายใจตั้งมัน่น เมื่อใจตั้งมั่นลงไปแล้วคิดอะไรพี่นาอะไรมันก็คล่องแคล่วดีมันเป็นอย่างนั้นเรื่องอย่างนี้นะผู้ใดทําผู้นั้นแหละจะรู้ด้วยตนเองเลยผู้ใดไม่ทําไม่รู้เพราะฉะนั้นขอได้พากันทําศาสนาของพระพุทธเจ้าเป็นศาสนาแห่งการกระทําไม่ใช่ศาสนาแห่งการอ้อนวอนต่อ สิ่งศักดิ์สิทธิ์ต่างๆในโลกให้มาโดนบันดาลให้ตนมีความสุขความเจริญอย่างนั้นอย่างนี้อันนั้นในพุทธศาสนานี่ไม่มีอย่างนั้นนะไม่มีขอให้เข้าใจกันเอากายกับใจนี่แหละเป็นทุนสร้างบุญสร้างกุศลไปเมื่อบุญกุศลมัน มากขึ้นเท่าไรใจก็ตั้งมั่นอยู่ในความดีไปมากเท่านั้นเนะ่ใจก็หนักแน่นใจก็บริสุทธิ์จากบาปโทษมนทินต่งางๆไปเนี่ยคำว่าภาวนานะคำว่าภาวนานั่นหมายเอาพยายามสั่งสมกุศลคุณคงามความดีให้ จเจริญยิ่งยิ่งขึ้นไปในจิตใจของตนอันบุญกุศลมันจ ะ, จะเจริญขึ้นได้ก็เพราะขาจัดบาปออกไปอย่างที่ว่ามาแล้วนั่นแหละเอาขาจัดความโลภออกไปได้มันก็ให้ทานได้ขจัดความโกรธออกไปจากใจได้ก็รักษาศีลได้ขจัดความหลงออกไปก็ภาวนาได้ ทำใจให้สงบลงได้เพราะว่ามันไม่หลงทางนี่มันมันเข้าใจวิธีทาใจสงบนั่นจึงเรียกว่าขจัดความหลงออกไปนั่นมันเข้าใจว่าจิตคืออะไรกายคืออะไรนี่จิตนี่มันไม่สงบเพราะอะไร มันก็รู้อย่างงี้นะพอมันรู้แล้วมันก็ขจัดสิ่งที่มันทําใจไม่ให้สงบนั้นออกไปไม่สะสมไว้ในใจเช่นความรักมันก็ทําใจไม่ให้สงบลงได้ความชังความโกรธมันก็ทําใจให้สงบไม่ได้ความ หลงความคิดฟุ้งซ่านไปตามเรื่องราวของโลกของสงสารอันนี้นะไม่มีสิ้นสุดอันนี้มันก็ทําให้จิตสงบไม่ได้การปล่อยตนให้เป็นคนง่วงเหงาหานอนไม่มีอุบายวิธีปลุกกายปลุกใจให้ตื่นให้ชื่นให้บานอันบูนี้มันก็ทําใจสงบลงไม่ได้นี่ การปล่อยทนให้เป็นคนสงสัยลังเลเรื่องบาปบุญคุณโทษอะไรต่ออะไรเหมือนี้นะมันก็ทําใจสงบลงไม่ได้นี่เพราะฉะนั้นอย่าไปให้มันเกิดความสงสัยเมื่อสงสัยอะไรมาจําเอาไว้พบท่านผู้รู้แล้วก็เรียนถามท่านท่านจะได้ชี้แจงให้ฟังให้เข้าใจให้หายสงสัยอันนี้แหละให้พึ่งพากัารจำเนียร ศึกษาฟังเอาพิจารณาเอาที่แนะนำมาเนี่ยผู้ใดฟังเป็นผู้ใดจำได้เข้าใจได้ผู้นั้นก็ปฏิบัติไปได้ไม่เรียกว่าไม่เดินทางผิดแหละมากำหนดเอาความรู้อันนี้นะเป็นหลักเลยน ะ, ะเมื่อสรุปใจความลงแล้วนะ เราจะพิจารณาอะไรก็เพ่งลงไปหาความรู้อันนั้นให้ความรู้อันนั้นมันตั้งลงได้แนะวันนี้ก็พิจารณาได้รู้ได้มันเป็นอย่างนั้นถ้าว่าความรู้อันนั้นมันยังไม่นิ่งมันยังมีความคิดโผล่ออกมาอยู่ก็อย่าเพิ่งไปคิดไปพิจารณาอะไรก่อนพยายามมีสติประคองจิตหรือว่าข่มจิต คมความรู้สึกอันนั้นนะให้มันหยุดให้มันนิ่งซะ ก, ก่อนมันจะยากลำบากอะไรก็สู้ไม่ถอยถ้ายังกลัวทุกข์กลัวลำบากในการคมจิตเพ่งจิตอันนั้นอยู่อย่างนี้ไม่มีทางจิตจะสงบลงได้นะไม่พึงเข้าใจนี่แหละเมื่อกล่าวโดยสรุปตรงข้อปฏิบัตินี่นะ มันก็มารวมลงที่จิตนี่แหละให้มาพยายามฝึ ก, กจิตอันนี้ให้มันหนักแน่นให้มันสงบมันจะหนักแน่นได้ก็เพราะอดเพราะทนะทนต่อความเพ่งธรรมดาเรื่องเพ่งเข้าไปนี่มันกิเลสนะ่ะมันิ้นเมื่อเพ่งเข้าไปนะข่มจิตให้สงบลงอย่างนี้นะจิตที่มันสงบลงไปมันไปทับกับกิเลส กิเลสมันทนไม่ไหวมันก็ดิ้นเมื่อจิตไม่มีกําลังเข้มแข็งก็สู้กําลังกิเลสไม่ได้จิตก็พุ่งไปอ่ามันเป็นอย่างนั้นถ้าจิตเข้มแข็งความอดทนมีสติเข้มแข็งเพ่งไม่ถอยอดทนไม่ถอยกิเลสสู้ไม่ได้มันก็ถอนออกไปใจก็รวมลงเต็มที่ มันเป็นยังนันเรื่องมันนะพึงพากันศึกษาให้เข้าอกเข้าใจเมื่อใจมันรวมลงไปแล้วอารมณ์ต่างๆมันระ ง, งับไปจากกิจแล้วก็ทีนั้นไม่ได้ออกแรงแล้ววันนี้นะมันก็สบายอยู่แล้วสติก็ประคองความสงบอันนั้นไว้ บันนี้ได้สเสวยผลแห่งสมาธิแล้วบันนี้นะในตอนแรกนี่เราเอาทุกเป็นทุนไปก่อนแหละเอา้ามันจะยากอย่างไรก็สู้แผ่นพอใจรวมลงเป็นหนึ่งลงไปแล้วก็ได้รับความสบายแล้วบันนี้นะออหายเหนื่อยแล้ววันนี้เป็นอย่างนั้นเมื่อได้รับความสบายอย่างนั้นก็ไม่ใช่ว่าจะหยุดอยู่แค่นั้นนะ ก็ทำงานต่อแบบนี้นะพิจารณาคนคว้าว่าทำไมมันถึงมาเกิดมาอาศัยอยู่ในของไม่เที่ยงอย่างนี้นี่ถามตัวเอง่ะถามดวงกินนั่นแหละอ้าวก็เพราะมันไม่รู้เท่าขันห้านี้แหละมันสำคัญว่าขันห้านี้เป็นตัวเป็นต้นเกิดมาชาติใดก็มาสำคัญว่าจะขันห้าเป็นตัวเป็นตนอยู่อย่างนี้แหละ เพราะฉะนั้นมันยังใช้ขันห้านี่ทําดีบ้างทําชั่วบ้างากรรมดีกรรมชั่วนี่นะ่ะก็นำดวงกิดนี่ไปเกิดให้ขันห้าอีกอยู่อย่างนี้แหละถับเมื่อเป็นเช่นนี้ทํายังไงอ่ะเอาก็ปล่อยก็วางขันห่านี้ลงแหละแบบนี้นะอย่าไปสําคัญว่าเป็นของเราให้กําหนดรู้ว่าไม่ใช่ของเราเออเมื่อเป็นเช่นนี้แล้วก็ คงมันลงวางมันลงได้แล้วเมื่อรู้ว่าไม่ใช่ของเราแล้วมันก็วางลงได้จิตก็เป็นอุเบกขาพร้อมด้วยงานความรู้รู้ชัดว่าขันห้าไม่ใช่ของเราอยู่อย่างนั้นแหละนี่เป็นทางพ้นทุกข์พ้นภัยในวัตาสงสารดังสแสดงมา